นุโมทนากับผู้จัดงานและก็ผู้ที่ร่วมรายการฝึกอบรมธรรมานาไมที่เคารพทุกๆ ท, ท่านผม เ, เองก็รู้สึกยินดีนะที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการฝึกอบรมในครั้งนี้ในฐานะของอุปกรณ์ของพระธรรมก็จะมาทําหน้าที่แบบอุปกรณ์ของพระธรรมให้แง่คิดในการใช้ชีวิตที่มีความสุข อาศัยการฝึกจิตใจให้ดีนี่แหละที่จริงผมไม่ค่อยได้มีโอกาสนะได้พูดคุยกับผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าอย่างนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสส่วนมากก็จะเป็นวัยที่น้อยกว่านี้หน่อยแต่ผมชอบนะผมชอบคุยกับผู้ที่สูงวัยกับผมเพราะว่าท่านนี่มีประสบการณ์ชีวิตมากได้สังเกตใบหน้าท่านากับกระยายต่าง ดูแล้วเหมือนครูสอนธรรมะกับเราผมมองผู้ที่สูงวัยกับผมเนี่ยเป็นครูสอนธรรมะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างยิ่งได้พูดคุยเนี่ยเรื่องราวเก่าๆเนี่ยรู้สึกว่าเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยปกติแล้วเนี่ยเคยคุยกับผู้สูงวัยแล้วท่านจะไม่เน้นย้ําแจ่มใสถ้ามีเรื่องที่เบื่อมีเรื่องเบื่อเรื่องเครียดเราเห็นบ่อยๆเลยบางคนบอกว่าอย่าบอกคนแก่ บอกคนแก่แล้วไม่สบายใจบอกไม่ต้องเกรงใจนะแก่นั้นทีดีราะคนเน็ตไม่ดีเพราะอยู่ได้ไม่ถึงแก่อยู่ตรงเนี้ยดีแล้วมีโอกาสดีแล้วอย่างผมนี่เกือบแล้วเกือบอยู่ไม่ถึงขนาดนี้แล้ ว, ลวเกือบไปก่อนแล้วมันมีวิธีการวินิจฉัยว่าเราเนี่ยจะแก่หรือไม่มีอสี่ข้ออันนี้ไม่ได้จริงจังนะพูดเล่นเล่นเพราะว่าอาหารเนี่ชอบกินของขมขม โอ้ถ้าเราเป็นชอบอกินของขุมเนี่ยรู้กเข้าเกณฑ์แล้วนะเนี่ยโอวพวกขี้เหล็กมละมละขี้นกเสดามันเข้าเกณฑ์เลยชอบชมเด็กว่าอ๋อนี่โตเป็นสาวแล้วคนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วโตเป็นสาวแล้วชมเด็กว่าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วดูสิเราจะขนาดไหนและชอบเล่าความหลัง ครังอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่สอเนี่ยเล่าสนุกโบรานว่าข้อสุดท้ายสําคัญมากถ้าถามเรื่องอายุหรือบอกว่าแก่เนี่ยจะรู้สึกโกรธ ถ, ถ้าโกรธที่แก่จริงถ้าไม่โกรธยิ้มรับแล้วก็อันนี้ยังนะยังพออยู่ได้ใช่ไหมอันนี้สอย่างเนี่ยชอบกินของขมชอบชมเด็กสาวชอบเล่าความหลังชอบโกรธเวลาใครบอกว่าแก่ที่จริงเนี่ยในชมรมเพื่อคุณธรรมเนี่ย ก็มีผู้ที่สูงอายุไปทำงานเป็นอาสาสมัครหลายท่านเหมือนกันนะและ้วกาจะคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆเขาจะเรียกกันว่าสอวอสอวอสอวอไปว่าอะไรครับนี่แน่จริงนะสวยทุกวันนะ่สอวอสวยทุกวันที่จริงเป็นอยางไง น, นะตุ้งไวที่สวยงามมากเป็นไว้กล้วยไม้อะ่ะอย่าแปลกลับเด กล้วยไม้เนี่ยเป็นไว้ที่สวยงามบางคนบอกว่าอย่าปลูกไร้ต้นกล้วยไม้ใกล้บ้านเนี่ยมันชื่อไม่เป็นมงคลน่ะเพรากล้วยไม้แปลกปลก่าก็เป็นไกล้มวยบอกอย่ามาปลูกปลกย่ออื่นปลูกไวลาดอกไม้อย่าปลูกกล้วยไม้นะถ้าเรามองนะเรามองในแง่ดีเนี่ยมันก็ดีถ้าเรามองในแง่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมไปออกกําลังกายที่พระรามแปดบ้านอยู่ใกล้พระรามแปดออกกําลังกาย กลับเนี่ยไปเจอสวอสองท่านสามีภรรยาและกับลูกสาวหนึ่งคนผมก็เข้าไปหาสามีนี่กำลังใจเข้มแข็งแต่ภรรยานี่หน้าตาเหงาหงอยเศ้าส้อยลูกสาวบอกว่าคุณแม่เนี่ยท้อแท้หมดกําลังใจก็เลยคุยกันก็บอกว่าอ้าวอา玛อา玛 เ, เ, เป็นไรเระท้อแท้หมดกําลังใจบอกอเบือ่อมันมีโรคภัยไข้เจ็บต้องไปหาหมอบ่อยๆ ชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่ไปทําไมสึกว่าทอแต้าบอกโอ้ไม่เป็นไรเ่อาว่าเรานี่ยังมีคุณค่าเห็นไหมดูดิป่าป้าก็มาอยู่เป็นเพื่อนเรานี่ลูกเราก็ดูแลเนี่ยเรามีค่าสําลับสามีสําหรับลูกหลานเราอย่คิดว่าเราไม่มีค่า เ, เราต้องอยู่อยู่แบบเป็นผู้ที่มีค่าได้หมายถึงว่าแม้ว่าเราจะป่วยไขย้ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ทําหน้าที่รักษาร่างกายไป แต่ใจนี่อย่าไปทอ้อแท้ใจต้องไม่ท้อแท้เรายัางสามารถที่แสวงหาความสุขได้ในสภาพที่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือสูงวัยอย่างนี้เลยมีโอกาสได้รู้สิผมนี่ผมเดินไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไม่มไปไหนต้องนั่งรถเข็นไปเดินไม่ได้อมาม่ายังเดินได้เดินได้แล้วเดินถนัดไม่ต้องใช้ไม่เท้าด้วยเขาบอกเขายุ่งแปดสิบแล้ว ไม่อยู่ไปทำไมอยู่ได้จนถึงร้อยก็อยู่ได้นะถ้าอยู่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและมีกำลังใจความสุขของเราเนี่ยแม้ว่าจะมีอายุมากหรืออายุน้อยหรือใครก็ตามเนี่ยเราสามารถแสวงหาความสุขทางจิตใจได้เราคิดว่าร่างกายเนี่ยคงจะแสวงหาความสุขไม่ได้หรอกก็ไม่เป็นไรร่างกายมันเลือกไม่ได้แต่จิตใจเราเลือกได้เลือกจิตใจให้มีความสุขได้ ความสุขทางด้านจิตใจในมีหลายอย่างอย่างน้อยเราต้องฝึกฝึกมองโลกและชีวิตในแง่ของการมีความหวังบ้างในแง่บวกบ้างใ่ไฝึกจิตให้มองในแง่บวกให้มันมีความหวังในชีวิตบ้างเราก็จะมีความสุขเนี่ยเรามีลูกมีหลานหน้าที่การ ง, งานเราก็ทำมามากแล้วตอนนี้เราทุกอย่างเราพร้อมเสร็จแล้วเราคิดในแง่บวกเราก็จะมีความสุขมันจะยิ้มได้และมีความเบิกบานใจ ขึ้นอยู่กับวิธีคิดเป็นสําคัญถ้าคิดบวกชีวิตมันก็บวกจิตใจก็สดชื่นผ่องใสถ้าคิดลบชีวิตมันก็ย่าแย่อะไรอก็แย่ไม่ไหวไม่ไหวแก่แล้วไม่มีอะไรดีอยู่ไปหรือทําไมโลกไปก็เจ็บรุมเราถ้ามองละแง่นี้มันเป็นความคิดที่ซ้ําเติมตัวเองสุขภาพจิตก็ไม่ดีสุขภาพกายมันก็แย่ฝึกวิธีคิดมองชีวิตและโลกในแง่ความหวังบ้างเราก็จะยิ้มได้ เราจะหาความสุขอีกได้โดยการที่ช่วยเหลือช่วยเหลือทําประโยชน์การได้ช่วยเหลือได้ทําประโยชน์เนี่ยทาให้ชีวิตเรามันมีคุณค่าได้ทําประโยชน์บางคนคิดค่าตัวตายโอ้ไม่ต้องค่าตัวตายหรอกเราลองทําประโยชน์สิพอเขาทาประโยชน์ได้เนี่ยไอเรื่องความคิดค่าตัวตายเนี่ยเขาไม่คิดแล้วเพราะเขาเป็นคนที <hier> ่ม <sch blo ANS centre> ีคุณค่าหรือเป็นคนที่มีคุณธรรมซะหน่อยเป็นคนมีคุณธรรมก็มีความสุขนะ มีคุณธรรมประจําจิตมีความเมตตาการุณาให้อภยัยมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวแค่นี้เราก็มีคุณธรรมประจําใจเราก็มีความสุขทานตจิตใจได้ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนแต่ถ้าจะมีความสุขที่ระดับสูงกว่านั้นอาจจะยากไปสักหน่อยแต่คิดว่าไม่ยากคือการฝึกทำสมาธิทำสมาธิทำจิตให้สงบถึงเรื่องการปฏิบัติธรรม พอจิตสงบแล้วเนี่ยจิตใจมันก็จะผ่องใสโรคทางกายมันก็หายไปด้วยนะบางโรคนี่หายไปเลยถ้าใจสงบหรือฝึกทำวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทําให้จิตเนี่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิตรู้แจ้งเกิดสติปัญญาแลอรู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วก็อยู่มีชีวิตแบบเย็นเป็นสุขสุขในนิพพานเลยไปผลจากวิปัสสนา เราสามารถจะแสวงหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปก็ได้อยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็ทาได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าจะให้ชีวิตมีความสุขเราต้องควรที่จะฝึกจิตใจให้ดีฝึกจิตใจให้ดีชีวิตมันก็จะมีความสุขได้เพราะโดยธรรมชาติของจิตแล้วเนี่ยมันชอบอ่อนแอหมดกำลังชอบคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านนะไปเรื่องอดีต อนาคตเขาเรียกว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันชอบดิ้นรนกวาดแวกงห้ามยากรักษายากการดิ้นรนกวาดแกงของจิตเนี่ยมันําให้จิตเราเนี่ยเสียกําลังเราจะป็นต้องฝึกจิตให้มันนิ่งให้มันนิ่งมันสงบซะหน่อยมันจะได้มีกําลังร่างกายต้องออกกําลังจิตจะมีแรงแต่จิตใจเนี่ยต้องให้มันสงบสงบแซะหน่อยมันจะจะมีกําลังที่แท้จริงเนี่ยต้องอาศัยการฝึกจิต ด้วยสายการเจริญสติถ้าเจริญสติแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสมาธินีจะเกิดปัญญาเป็นระดับขั้นเลยมีศีลไปในตัวด้วยดงนั้นการฝึกสติรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันกายเมื่อไหร่แล้วก็เราจะมีความสุขสูงสุดเลยแล้วฝึกจิตให้ดีคือฝึกจิตให้เข้มแข็งมีสติปัญญาจะทำอย่างไรล่ะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีหลักให้จิตมันเกาะงนั้นจิตก็จะฟุ้งซ่าน ต้มีหลักให้จิตมันเกาะจิตมันเกาะอยู่ที่ไหนจึงจะปลอดภัยก็เกาะอยู่ที่กายอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่แหละการฝึกจิตเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปที่วัดเสมอไปหรือต้องไปที่สํานักปฏิบัติเสมอไปไม่จำเป็นหรอกที่บ้านที่ทํางานที่ไหนก็ฝึกได้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะต้องมีหลักมีเครื่องอยู่ของจิตซะหน่อยเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทํางานใช่ไหมใจเราก็เพลินไปกับการทํางาน แปลการดูทีวีการใช้ชีวิตต่างๆจิตเนไปเกาะสิ่งนั้นเป็นหลักถ้าใครไม่ได้ทำงานแล้วมันเครียดมันกลุ้มมันคิด <c oughs> แต่การทํากรรมฐานหรือการเจริญสติการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราใสเอาจิตมารู้สึกตัวที่กายเอากายมาเป็นเครื่องอยู่เช่นเวลาเราเรานั่งเนี่ยมีสติเอารู้สึกว่าเรานั่งจิตอยู่กันได้กับตัวแล้วรู้ตัวว่าเรากําลังนั่งจะยืน จะเดินจะนอนแล้วก็รู้สึกมีสติอยู่กับกายกายอยู่ไหนใจยอยู่ด้วยนยีมันต้องมีหลักเกาะตรงเนี้ยเวลาเรามีอะไรบทย่อยจะเหยียดจะก้มจะเงยเหลียวซ้ายแลขวาขยับเนื้อขยับตัวถ้ามีสติรู้เนี่ยเห็น ไ, ไหมแต่ว่าจิตเนี่ยมันอยู่กับหลักนะแล้วอย่างเงี้ยจะไม่เบื่อนะไม่เบื่อไม่เต็ง น, นะเพราะจิตมันมีงานทํามันจะไม่คิดอะไรฟุ้งซ่าน เพราะจิตมันมีที่เกาะมีงานทำก็คือกายที่มันเคลื่อนเคลื่อนไหวไวเขาเรียกเป็นกรรมฐานง่ายๆเลยหมอยู่ที่ไหนก็ทำได้และจะไม่เบื่อเอากายมาให้จิตเกาะถ้ารู้กายเป็นานานๆนะว่ากายมันเคลื่อนไหวรุ่นานานแนละ้วเราจะเกิดสติปัญญาขณะมีสติรู้กายจะมีสมาธิตั้งมัน่นมันจะไม่วอกแวกตั้งมัน่นรู้บ่อยๆนี่จะเข้าใจเรื่องกายนะโอ้กายเรานี่มันมันเป็นธรรมชาติที่ มีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์ปรากฏที่กายไม่สามารถบังคับบัญชามันได้มันรู้จักกายตามความเป็นจริง น, นเกิดสติปัญญาแล้วพอเฝ้าดูกายบ่อยๆเมื่อจิตมันหลงมันก็กลับมารู้ตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเลยจะเข้าใจเรื่องกายมันจะเริ่มรู้ตรงนี้มันจะแยกกายเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งจิตที่รู้ส่วนหนึ่งแยกละ ความป่วยไข้ความชรามันเรื่องของกายทั้งหมดเลยจิตเรากลายเป็นผู้รู้ผู้ดูไปนะมันเริ่มปลอดภัยล้วจะไม่เป็นทุกข์เพราะกายที่มันป่วยไข้ละมันจะเห็นความเสื่อมของกายอ๋อบางทีนั่งไปนานๆจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยมันดอกไม้ลอยไม่มีเกรสรเคยดยินไอะมันเรื่องของกายทั้งนั้นเลยนะลุกก็โอยนั่งก็โอยมันดอกไม้ลอยไม่มีเกษรนเนี่ยมันกายมันเป็นหมดเลยไม่ใช่เรา เราเป็นเพียงแค่พูดดูเจนความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ก่อนเขาบอกว่าแต่ก่อนนี้เธอเดินบันเหินหงเดี๋ยวนี้ทำหลังโกงดูหยองยอยนะมันเปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่ใช่ของเราแนละ้วของกายที่มันทาหน้าที่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองมันจะเริ่มแยกระหว่างกายกับจิตตอนนี้จะไม่เป็นทุกข์เพราะกายแล้วแต่จะเฝ้าคอยช่วยเหลือกายเราจะเริ่มเข้าใจ ที่จริงไอ้ความป่วยไข้ก็ดีความชราก็ดีเนี่ยเขาเหมือนเทวทูตนะเขามาเตือนเราไม่ให้เราประมาทในชีวิตต้องรีบสแสวงหาบุญกุศลแสวงหาสติปัญญาซะต่อไปมันจะตายจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์กับร่างกายที่มันจะต้องแตกทําลายไปเป็นเทวทูตมาเตือนเราต้องขอบคุณมันเทวทูตเนี่ยไม่ต้องมองหาที่อื่นที่ที่กายเรานี่แหละแล้วอย่างหนึ่งก็คือการจำเนี่ยการจําการลืม มันเป็นธรรมดานะผู้ที่เอมีวัยสู ง, สงวัยสวก็มีการลืมเป็นธรรมดาไหนมีใครไม่เคยลืมบ้างแล้วเป็นทุกข์ไหมกับการลืมแบบนั้นจะไปทุกข์ทำไมนั่นะธรรมชาติของกายเขาบอกมันเป็นธรรมดายังเคยมีคนเล่าฟังว่ามีคุณตาเข้าไปเที่ยวไปพักที่โรงแรมหนึ่งคืนตอนเช้าก็ รถทัวร์ก็พากลับเที่ยวแล้วนะกลับอีตองกลับมาเดือดร้อนปลอมเพราะที่โรงแรมบอกขึ้นรถมาโอ้บอกว่าไกด์บอกไกด์มาคุเทศบอกว่าเขาลืมฟันปลอมที่โรงแรมจะทํำยังไงดีจะเลี้ยวรถ ก, กลับไปเอามันก็เสียเวลานะมากันหลายคนโอไกด์นี่ก็ดีเหมือนกันก็โทรไปบอกทโรงแรมว่าไปหายด้วยนะแล้วก็จดชื่อจดที่อยู่ให้บอยโรงแรมเนี่ยส่งกลับมาที่บ้าน ไอ้เจ้าบอยโรงงานนี้ก็ทํางานดีมากเลยรีบส่งคนเจ้าของฟันยังไปไม่ถึงบ้านเลยฟันไปถึงก่อนแล้วลูกหลานตกใจโอโหคุณตามวยซะแล้วฟันมาถึงแต่คนไม่ถึงเนี่ยหรือบางคนเนี่ยขึ้นรถทัวร์กับแล้วลืมกอร์กอนอไว้ที่โรงแรมลืมกกอนอไว้ก็ทำไงดีอ่ะขลัวก็ ช่วยกลับไปเอาหน่อยได้ไหมช่วยกลับเอาหน่อยได้ไหมคนกลับบอกว่าจะกลับไปได้ยังไงเรามันออกมากลายแล้วกกร น, นราคาเท่าไหร่ต้องรีบกลับไปเอาถ้าไม่เอาจะดิ้นพลาดตรงนี้ล่ะแล้วลกระซิบบอกว่าในากรกรนนี่มีกระเป๋าซ่อนเงินเอาไว้อะ <c oughs> อันนี้เกิดจากการลืมมันเป็นธรรมดานะคนที่เป็นคนขี้ลืมเนี่ยจะสังเกตนะคนขี้ลืมเนี่ยมักจะไม่ลืมคําพูดคํานึงว่าลืมถูกไหม ออลืมสัมภาษ์อย่างเลยแต่คำพูดว่าลืมเนี่ยไม่เคยลืมลืมที่ไรก็บอกว่าฉันลืมค่ะผมลืมครับเพราะฉะนั้นการลืมการจำเป็นเรื่องธรรมดาสัญญาก็ไม่เที่ยงไหมสัญญานิจจาถ้าคนฝึกจิตสติหนึ่งเนืองเนี่ยมันจะไม่ค่อยลืมหรอกแม้ลืมก็จำได้ง่ายลึกขึ้นมาได้เพราะสติแปลว่าความและลึกได้ลืมเมื่อไหร่สติก็ลึกขึ้นมาได้ว่าลืมอะไรไว้ที่ไหน ลืมแว่นตาลืมนาฬิกาลืมกระเป๋าตังค์ลืมกุญแจสติจะระลึกขึ้นมาได้ใช่ไหมลืมได้ไม่นานแม้จะหลงไปก็หลงไม่นานเดียวกลับมารู้สึกได้ใหม่นั่นการฝึกสติทําให้เราเป็นคนที่จําง่ายลืมยากแต่มันก็ต้องลืมนะเพราะว่าตามบทสวดมนต์เห็นไหมสัญญานิจ่าสัญญาก็ไม่เทียงเพราะฉะนั้นอย่าไปเป็นทุกข์กับการลืมลืมก็รู้ว่าลืมแต่ราเรามีสติแล้ว และต่อไปแล้วก็จะจำได้แม่นที่จริงการลืมอะไรไม่สําคัญต่อความคิดคนเราเนี่ยจะเป็นทุกข์เพราะความคิดความคิดเนี่ยสำคัญนะทำให้จิตใจเราเนี่ยมันไม่เข้มแข็งทําให้จิตเราเสียเพราะความคิดที่ปรุงแต่งปรุงสร้างบางทีคนเราเนี่ยโรคภยัยแข่เจ็บทางกายเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหรนะ่แต่พอเกิดเรื่องราวปั๊บมันเกิดความคิดมากความคิด มันทําให้ร่างกายเนี่ยมีโรคภัยแคยเจ็บเยอะเหมือนกันโรคไมเกรนเกิดจากความคิดมากโรคปวดศีรษะโรคนอนไม่หลับความดันหัวใจ <c oughs> สารพัดมีผลมาจากความคิดปรุงแต่งไม่เป็นระเบียบอย่างนั้นเลยเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวกลัวเดี๋ยววิจารเสียใจเดี๋ยวตกกังวลน้อยเนื้อต่ําใจ ไอ้ความคิดพวกนี้ยเรียกเป็นเครื่องแสลงทําให้ใจเราต้องมีทุกข์อ่ะแต่ถ้าเราฝึกเจริญสติเฝ้าดูรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยฝึกสติบ่อยๆมันจะสามารถคุมกําเนิดความคิดได้เลยนะความคิดไม่ค่อยคิดนะพราะสติมันเข้ามาแทนที่แล้วจิตใจเราเนี่ยมีอยู่2 อ, อย่างหน้าที่มันคือคิดกับรู้คิดกับรู้คลองตําแหน่งจิตใจไว้ ถ้าเรามีความรู้สึกตัวบ่อยๆมีสติบ่อยๆความคิดก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแม้เกิดสติก็ตามรู้ได้ทันแต่ถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็ความคิดจะเข้าแทรกคนที่คิดมากมักจะขาดสติคนที่มีสติมากมักจะไม่ค่อยคิดอะไรแต่ถ้าจะคิดก็คิดแบบเป็นระเบียบดังนั้นเคล็ดลับของการฝึกจิตที่ดีเนี่ยคือการเจริญสติบ่อยๆขยันรู้สึกตัวบ่อยๆ การขยันรู้เนี่ยเรียกวการภาวนาการภาวนาขยันรู้สึกเวลากายเคลื่อนไหวสติรู้ให้รู้สึกบ่อยๆเนี่ยความคิดจะไม่เกิดขึ้นแม้เกิดก็จะรู้ทันได้ง่ายเห็นความคิดมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทันทีต่อหน้าต่อตาเลยสติมีที่รู้เท่าทันในความคิดเพราะความคิดนำเอาความโลภความโกรธความหลงกิเลสสารพัดความฟุ้งซ่านความซึมเศร้า มันมาเอาความคิดทต่งั้นถ้าสติมาทันแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันจะทํางานไม่ได้มันจะเกิดจะดับใช่ไหมจะเข้าใจเรื่องความคิดปัญหาต่างๆเนี่ยมาจากความคิดทต่งั้นโอ้เราเป็นคนแก่เราเป็นคนเจ็บไข้เด็กป่วยคําว่าเราแก่นี่คือความคิดนะถ้ามาคิดเมื่อไหรเราก็ไม่แก่นะนั่นถ้าว่าไม่อยากแก่ก็อย่าไปคิดมันมากถูกไหมไอความเป็นตัวตนว่าเราเราแก่เราเจ็บเราตายเนี่ยมันมาจากความคิดทต่งั้นเลย เพราะเราขาดสติไอ้ความเจ็บป่วยความแก่เท่าไรไม่เรื่องของร่างกายทังนั้นใจนี่มันไม่แก่ไปด้วยนะเขาบอกว่ากายแก่แต่ใจไม่แก่กายเจ็บใจไม่เจ็บกายพิการใจไม่พิการกายตายใจมันไม่ตายเหใช่ไหมที่ว่าถึงฟันจะหกักถึงหนังจะเหี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวเพราะเป็นเรื่องของมันจิตใจมันจะกล้าหาญ mm hmm. เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเรื่องของกายแต่งั้นเลย มันแยกใช่นั้นถ้าไม่มีความคิดเข้ามาโยงแล้วก็ความแก่ความเจ็บมันไม่ใช่ของเราต้งนั้นะเป็นเรื่องของธรรมชาติของมันถ้าเราฝึกจริตสติในชีวิตประจำวันเวลากายเคลื่อนไหวมีสติรู้เวลาจิตมันคิดสติรู้รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตรู้แบบเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นดูกายเคลื่อนไหวดูใจมันคิด ใช้ชีวิตแบบเป็นผู้ดูมันสบายนะถ้าเข้าไปเป็นกับโลกทั้งหมดแล้วก็ใจเราก็จะเครียดจะทุกข์เราลองใช้ชีวิตแบบผู้ดูโลกสิบ้างถ้าเป็นผู้ดูโลกนี่มันไม่เหนื่อยไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแต่ผู้ดูโลกอะ่ะมีแต่ผู้เข้าไปจัดสรรโลกจัดโลกให้มันถูกใจเราพอโลกไม่ถูกใจเราก็เครียดกับโลกไม่ได้ดูโลกดูลูกดูลานดูคนข้างเคียง ดูแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญาด้วยหน้าที่ให้คําแนะนําตักเตือนเราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ด้วยสติปัญญาอย่าเข้าไปเล่นอย่าเข้าไปอยากให้มันเป็นเป็นผู้ดูสักมากเป็นผู้ดูแล้วมันไม่เหนื่อยถ้าเข้าไปเล่นแล้วก็จะเหนื่อยเห็นไหมเคยดูละครไหมละครช่องเจ็ดช่องสามถ้าละครมาเนี่ยเราไป็งไงโอ้อินเลยนะเหนื่อยนะ ถึงละครสนุกใจเราก็เหนื่อยนะในความสนุ ก, กว่าเลาะลาดเราก็เหนื่อยเหนื่อยหมเหนื่อยแต่เวลามาโฆษณาเราไม่ค่อยเหนื่อยเวลาไม่ก็ไปสนใจไหมโฆษณาคือเราดูแต่ละครเล่นเราเข้าไปเป็นเข้าไปเล่นละครถ้าเรามีสติเนี่ยอ๋อเรานั่งดูตรงนี้ทีวีตรงนู้นไม่ได้ห้ามดูดูได้อ๋อทีวีตรงนู้นเราดูอยู่ตรงนี้แยกกันระหว่างผู้ดูกับผู้แสดง อย่าเข้าไปแสดงนะั้นมันเหนื่อยเป็นผู้กำกับก็เหนื่อยไอ้ตัวนี้มายแล้วนะเบื่อหน้าผู้กำกับก็เหนื่อยแต่เป็นผู้ดูเนี่ยไม่เหนื่อยสบายเลยดูแล้วก็เวลาจิตมันคิดชอบออเนี่ยจิตมันชอบนะเวลาจิตมันไม่ชอบอ๋อเนี่ยจิตมันมชอบดูจิตดูใจดูละครอย่าลืมดูใจเราเราจะได้รู้ทันมีสติปฏิบัติธรรมขณะดูละครเลยเพระาะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ย การเจริญสติการปฏิบัติธรรมก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นการเตรียมตัวชีวิตเราไม่ได้ประมาทเราจะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตโดยการฝึกสติให้จิตดีอยู่เสมอเสมอความไม่ประมาทเนี่ยกาเป็นยอดแห่งธรรมะเลยธรรมะทั้งหลายเนี่ยประชุมรวมลงเป็นความไม่ประมาททั้งหมดในฝ่ายกุศ ล, ลธรรมนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานถ้าบอกว่าอะไร ท่านทั้งหลายจงถึงพร่อด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่ว่าเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายเลยไม่ประมาทคืออะไรคือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสตินั่นเองถ้าไม่ขาดสติเนี่ยถือว่าไม่ประมาทแล้วเป็นกุศลธรรมใช้ชีวิตทั้งวันด้วยการเจริญสติเราก็จะไม่ประมาทลองทําดูหน่อยไหมลองสักหน่อยนะเนี่ยที่ผูดให้ฟังเนี่ยเป็นการเจริติแบบไม่มีรูปแบบ เนี่ยกายเคลื่อนไหวสติรู้กายนั่งสติรู้กายยืนกายเดินสติรู้กับพิบตาอ้าปากกือเนื้อเมลายทำอะไรก็ตามให้มีสติรู้อันนี้ใช้ได้ในชีวิตประจําวันรับรองว่านอนหลับสบายน่อันนี้ว่าบางทีเราไม่มีอะไรทําอยู่ว่างๆเราต้องนั่งพักเนี่ยเราสามารถเจริญสติได้นั่งในรถหรือรอใครสักคนแทนที่การรอทําให้จิตใจเราต้องเครียด เมื่อไหร่เขาจะมารอลูกรอหลานรอคนใกล้ๆตัวเราเมื่อไหร่จะมามันจะมาเสียเวลารอหรือนอนไม่หลับเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหลับพอดีพลิกไปพลิกมาเรามีวิธีการใช้การรอให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติธรรมอาศัยการนอนไม่หลับให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลไปในตัวเลยและเวลานอนไม่หลับก็อย่าลืมนะเมื่อไม่หลับก็อย่าไปนอนพลิกไปพลิกมาให้มันรําคาญ หรือไปบังคับให้มันหลับไม่หลับก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกลุกกึมานั่งฝึกสติเนี่ยเราทำดูหน่นะเอาใช้มือข้างเดียวข้างไหนที่ถนัดวางไว้ที่ขาการฝึกสติเนี่ยไม่ต้องหลับตาก็ได้ <c oughs> อย่าหลับตาถ้าหลับตาสมัยจะหลับใน <c oughs> อย่าหลับตาลืมตาใช้ชึดแบบปกติลืมต า, แ, บบตลมตาแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรการเจริญสติไม่ต้องใช้ความคิด ให้เปลืองสมองเราคิดมามากแล้วเราระงับจิตใจไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้คําบริกรรมไม่ต้องพิจารณาอะไรทั้งสิ้นใช้สามคำที่ว่ารู้สึกตัวไม่ต้องพูดนะเอาความรู้ตัวของจิตเข้าไปสัมผัสกับมือที่กําลังวางอยู่ที่ขารู้สึกไหมว่ามือกำลังวางอยู่ที่ขารู้สึกไหมรู้สึกจริงๆหรือคิดเอาถ้าไม่คิดแล้วมันรู้ได้ไหมอ่า ถ้ารู้ได้แสดงว่าเราจิตล้วนๆเข้าไปสัมผัสกับชีวิตจริงๆแล้วไหนลองคลิกมือหงายแล้วก็รู้สึกคลิกมือคว่ำให้มีสติเข้าไปรู้คลิกมือหงายข้างเดียวนะข้างเดียวข้างเดียวให้รู้สึกคลิกมือควา่าให้รู้เวลามือหงายให้มีสติเข้าไปรู้ลองทำเรื่อยๆที่ทำเรื่อยๆนะทําช้าๆหรือเร็วๆก็ได้แล้วแต่เรา ให้รู้สึกเวลามืองหงายก็มีสติเข้าไปรู้เวลาคว่มก็รู้รู้ที่มือกำลังเคลื่อนเคลื่อนไหวๆอย่าไปเพ่งนะรู้แบบดูดูแบบเบาๆสบายๆดูด้วยจิตอย่าดูด้วยตามือหงายก็รู้มือคว่าก็รู้ให้รู้สึกตัวให้มีปัจจุบันอยู่การเคลื่อนไหวของมือ รู้เบาๆแบบสบายๆอย่าไปเพ่งเนี่ยมันจะเครียดรู้อยู่ห่างใจเป็นกลางๆรู้กายไปเรื่อยรู้มันเคลื่อนไหวอย่าไปเพ่งนะรู้สบายๆเล่นๆสบายๆเวลาจิตมันคิดไปก็อย่าไปสนใจกลับมารู้สึกที่มือกลาลังหายกลาลังคว่า ม, มันคิดไปอีกก็กลับมารู้สึกเอากายที่เคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่ให้จิตมันรู้ รู้ไปเรื่อยๆถ้าเรารู้บ่อยๆจิตมันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิบางคนเป็นสมาธิและมีสมาธิเกิดขึ้นก็รู้นะจิตมันมีสมาธิก็รู้คือรู้เท่าทานกายที่เคลื่อนไหวรู้เท่าทานอาการของจิตพลิกมือหงายก็รู้พลิกมือคว่ำก็รู้เอากายมาเป็นที่เกาะเป็นเครื่องอยู่ของจิตซะก่อนให้จิตมันมีหลักให้มันมีสมาธิตั้งมั่นซะก่อนเวลามันคิดก็อย่าไปสนใจมัน กลับมารู้สึกอสติตามรู้กายเคลื่อนไหวอ่าเอาละถ้าเราไปฝึกนะเรารอใครก็ตามหรือนอนไม่เราก็ตามอย่าไปเสียเวลางุ่ยหิดไปความคิดทําไมนอนพลิกมือเลยแล้วก็รู้สึกการมีสติรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นบุญมหาศาลเป็นภาวนามาย์ปัญญาเป็นบุญสูงสุดเมื่าการให้ทานเมื่อการรักษาศีลเมื่อการทําสมาธิด้วยนี่คือการเจริญปัสนา แต่อย่ารู้แบบเข้าไปอยู่นะรู้แบบดูดูดูแบบแยกๆ แ, แบบใจเป็นกลางสบายๆเคลื่อนไหวก็รู้เวลากายเคลื่อนไหวก็รู้เอาการเคลื่อนไหวแบบเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วมีสติตามรู้เพื่ออะไรเพื่อให้สติมันเข้มแข็งทำให้จิตมันเข้มแข็งแต่นี้เวลามีอารมณ์อะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกความคิดต่างๆโลภโกรธหลงสติมันจะรู้ทันเลยนะ จะเราสติรู้กายเคลื่อนไหวเพื่อให้จิตมีกำลังเพื่อจะไปรู้ทันความคิดที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเราเอาชนะความคิดได้อันนี้คือจิตดีเมื่อรู้ทันความคิดเนี่ยจิตมันก็จะเป็นปกติความคิดก็จะดับไปจิตก็จะพองใสมีความเบิกบานแล้วมันก็จะรู้แจ้งแก่ตัวเราเลยมันต้องมีเครื่องอยู่ชีวิตมันงั้นเราจะจิตใจจะฟุ้งซ่านนผมเนี่ยเมื่อตอนก่อนเนี่ยมีงานทา เคยมีงานทำตอนสมัยที่ร่างกายไม่พิการอย่างนี้นะทำงานมาถึงทุกยยปีหลังจาก24ปีก็เกิดรุบะเหตุร่างก็พิการไปพิการใหม่ๆเนี่ยมันทำใจยากจิตใจมันฟุ้งซ่านมันซัดสายทรงจิตเอานอกเสมอเสมอเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันว่างเกินไปก่อนนั้นเราไม่ว่างเรามีงานทาหลังจากเลิกงานเราเล่นกีฬา บางที่ก็ไปเที่ยวคือชีพมันไม่เคยว่างอ่ะเพราะวันหนึ่งเราต้องมาใช้ชีวิตแบ บ, บว่างๆก็ ม, มีอะไรทําเนี่ยโอ้มันจิตใจก็ฟุ้งซ่านทุรนทุรายสัดสายอยู่ไม่เป็นสุขละอยู่ไม่เป็นสุขละเพราะไม่สามารถจะอยู่กับตัวเองได้ไม่ใช่เป็นเพราะร่างกายพิการเป็นเพราะจิตเนี่ยมันไม่ยอมอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์อายุวานยี่บสี่ก็อยู่ไม่ได้อยู่ตัวเองไม่ได้ ก็ทุกมาก ождения, มันนั้นจะออกอยังไงมันจะคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านจนจะเป็นโรคจิโตโรคประสาทนะถ้าไม่มีเครื่องอยู่ของจิตนะมีสิทธิทจะฆ่าตัวตายได้เพราะความคิดเนี่ยมันพาไปแต่ต่อมาเนี่ยโชคดีที่มาเข้าใจหลักการปฏ pues ิบัติการจารสติในชีวิตประจำวันก็มาฝึกสติรู้กายเคลื่นอนไหวนอนพลิกมือเล่นตอนนี้พราะจิตมันมีที่เกาะ ค, <อ>คือกายที่เคลื่อนไหวจิตมันก็ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านแล้ว มันก็มีปัจจุบันเป็นเครื่องอยู่เมื่อจิตมันไม่ปรุงแต่งฟุ้งซ่านจิตมันก็ของสายเบิกบานมันก็มีความสุขกับปัจจุบันโดยที่ไม่ได้ไปไหนเลยนะคือให้จิตมันมีเครื่องอยู่สัหน่อยอยู่คนเดียวก็ไม่เหงามันมียังมีงานทําคือจิตเรามีงานทําคนที่เหงาเพราะว่าจิตไม่มีงานทํามันก็คิดปรุงแต่งจิตมันมีงานทําเพราะจิตมีงานทำํำเราก็กลายเป็นว่าเริ่มรู้จักตัวเองเข้าใจเรื่องของกาย เข้าใจเรื่องของจิตเห็นความพิการเป็นเรื่องของกายความพิการคือความไม่สะดวกเหมือนสภาพร่างกายที่ชราภาพหรือมีโรคปลายก็เจ็บคือความไม่สะดวกทางกายเท่านั้นแต่ใจนี่มันสามารถทำให้มันสบายได้ทำใจให้สบายได้ในสภาพร่างกายที่ไม่สะดวกถูกไหมความพิการหรือความชราภาพก็ดีคือความไม่สะดวกแต่ใจนี่มันสบายในความไม่สะดวกก็ได้ มันเริ่มเข้าใจเรื่องของกายโอ้แยกกายออกไปไม่ใช่ของเราหรอกมันสักแต่ว่ากายเมสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไอ้ตัวปัญหาไม่ใช่เรื่องของกายปัญหาคือเรื่องของความคิดไอ้ความคิดที่มันปรุงแต่งนี่คือตัวปัญหาชอบสิ่งนู้นไม่ชอบสิ่งนี้อยากไปนู้นไม่อยากไปนี้ปฏิเสธต่อต้านปฏิเสธแล้วก็ฝ่ายหาอะไรพวกนี้เรื่องจิตทั้งนั้นเลยสติก็ไปรู้ทันอ๋อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเลยมันกระดับไปมันไม่ใช่ตัวเราแท้จริงหรอก เห็นจิตสักต่ว่าจิตไม่สัตว์บุคคลตัวตเราเขาเป็นกฎปรักทั้งนั้นเลยถ้ามันก็ปล่อยวางมันได้โดยที่ไม่ยึดติดจิตมันก็สบายถ้าจิตมันยึดติดมันก็ทุกข์มันก็หนักถ้าปล่อยวางมันก็เบาเนี่ยนวางก็เบาเอาก็หนักเราจะวางหรือจะเอาดีวางก็เบานะถ้าเอาก็หนักเอาคือความยึดมั่นถึงมันว่ามันเป็นตัวเราของเรา ถาวามมันไม่ใช่เราของเราหรอกบางคือธรรมชาติแล้วก็ทําหน้าที่กับมันโดยที่ไม่ได้ไปรังเกีอะไรชีวิตเปลี่ยนแปลงจากรายมากลายเป็นดีได้ก็เพราะการเจริญสติในชีวิตประจำวันดีละเพราะฉะนั้นการจะให้ชีวิตมีความสุขนั้นจําเป็นต้องฝึกจิตใจให้ดีด้วยการเจริญสติอยู่เสมอๆการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล เป็นการสร้างให้เรามีเครื่องอยู่ถ้าจิตมีเครื่องอยู่เนี่ยมันไม่ทุกนะมันมีความสุขสบายให้จิตมีเครื่องอยู่อยู่ด้วยการเจริญสติเป็นอยู่แบบบุญกุศลอยู่ด้วยกุศลมันจะมองตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเห็นคุณค่าในตัวเองดีกว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจให้ไปอยู่กับอบายามุขดูนั่งฟังเพลงการพ น, นัน ดืมุราเที่ยวเ่ยานะั้นมันไม่ใช่เครื่องอยู่ที่เป็นกุศลอยู่มามาาแล้วก็มีแต่บาปอกุศลสั่งสมบาปอกุศลไม่มีประโยชน์อะไรตัวอยู่กับการจริตสติเนี่ยมันอยู่กับกุศลล้วนๆเลยทำห้เห็นคุณค่าของตัวเองแม้ว่าร่างกายจะไปไหนไม่ได้แต่ใจเราสามารถแสวงหาความสุขได้ด้วยการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมจิสติจนถึงที่สุดแล้วเนี่ย สติทาให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญารู้แจ้งรู้แจ้งเกี่ยวกับโลกแล้วก็ชีวิตจิตใจก็จะมีความสุขสงบเย็นเป็นชีวิตที่มีคุณภาพนะกลายเป็นผู้สูงวัยหรือตายอย่างมีคุณภาพอยู่ก็มีความหมายเพราะได้ปฏิบัติธรรมตายก็มีความหวังปิดประตูบายแน่นอนไปเกิดสุขติแน่นอนหรืออาจจะไปนิพพานเลยก็ได้ นะชีวิตมีคุณภาพทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเพราะนั้นจากคำว่าสวเนี่ย่าจะเปลี่ยนสวเนี่ยคอยเปลี่ยนย่อมาจากสุขทุกวันสว <laughs> มันสุขทุกวันอย่าสวยโว้ยยังไม่เพ็นพอ <laughs> สวยโว้ ย, ยังทุกอยู่นะ <laughs> ถ้าสุขทุกวันเนี่ยมั่นใจได้นะ <laughs> อนะก็ก็คือว่า มันเป็นโอกาสเป็นบุญของผมที่ได้มาทำหนะ้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมนะมาเสนอตัวให้แง่คิดให้กําลังใจในการใช้ชีวิตต้องขออภัยนะผมไม่ได้มาสอนนะอันนี้ไม่ได้เป็นการสอนเป็นการแบ่งปันประสบการณ์เพราะว่าบางท่านอาจจะเรียนรู้เรียนรู้นะไม่ต้องเรียนแบบก็ได้เรียนรู้นะาไปใช้ในชีวิตประจวันได้นะก็ขอให้ทุทกๆท่านเนี่ย ก็มีความเจริญในธรรมมีสติมีปัญญานำพาชีวิตให้พ้นปสิจากความทุกข์และก็มีความสุขสวสุขทุกวันด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด